คาถารวมมินิตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องหญิงหลับหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงย้ายบ้านหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงบันเดาะหนึ่งเรื่องเรื่องการชักสื่อบันเดาะหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงตายหนึ่งเรื่องเรื่องไม่ใช่หญิงหนึ่งเรื่องเรื่องชักจูงสามีพัญญาผู้ทะเลาะให้คืนดีกันหนึ่งเรื่อง